บทที่หนึ่งร้หบห้าระพิงกัดลิมฝีปากงินไปอีกชั่วอึดใจก็สัส่นศีรษะอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ครับคุณชายเราจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเป็นอันขาดผมแน่ใจว่าถึงยังไงเราต้องแก้ไขปัญหานี้จนได้นะครับขณะที่กล่าวไปเช่นนั้นตัวเขาเองก็ยังไม่อาจจะบอกได้ถูกเช่นกันว่าจะแก้ไขได้ยังไง แต่มันมาจากความมั่นใจและฮึดสู้จนลมหายใจสุดท้ายอย่างน้อยมันจะต้องมีเหตุการณ์ปฏิหาริย์อะไรสักอย่างเข้ามากู้สถานการณ์ไว้แน่นอนหาไม่เช่นนั้นแล้วคณะทั้งหมดภายใต้การนาของเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคฝากน้ำร้อยแปดพันประการมาจนถึงนี้ได้ถึงเดี๋ยวนี้ได้ยังไงคงจะต้องพินาศย่อยยับกันไปซะ ก, ก่อนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเคถามีความรู้สึกประหลาดปรากฏขึ้นในแววตา เมื่อได้ยินคำพูดอันหนักแน่นมั่นคงนั้นผู้กองมีอะไรที่ทำให้คุณเชื่อมั่นถึงเพียงนั้นเชียเหรอครับมีมีอยู่อย่างเต็มเปลี่ยนทีเดียวล้วครับอดีตที่เราผ่านพรนจนกันมาแล้วนั่นแหละครับคือความเชื่อมั่นของผมทุกระยะเส้นทางเดินของเราเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เราก็ผ่านมาได้ทุกอุปสรรคเช่นกันอุปสรรคยิงเปรียบเสมือนบันไดอย่างความสาเร็จของเรานั่นเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหญิงผมเชื่อว่ายังมีเวลาพอสำหรับคิดอ่านแก้ไขครับกลายังไม่ทันจะสิ้นประโยคดีเขาก็สาวเทาว้าก้าวยาวๆตรงเข้าไปยังกลุ่มที่นั่งล้อมวงมุงหมอดารินอยู่โดยมีเช่ดาตามเข้ามาด้วยติกต๊กๆจอมพรานเปลี่ยนสีหน้าอันเครียดคลั่ของเขามาเป็นยิ้มแย้มกับทุกคนโดยเฉพาะกับคนเจ็บที่นั่งหน้าซี่อยู่ในขณะ น, นี้รอยยิ้มของรพินช่วยสถานการณ์ไว้ได้มากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความวิตกกังวลของทุกคนผมมีข่าวดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบครับเสียงของเขาแจมา่มใสและด้วยประโยคนี้เองทำให้อีกสามคนรวมทั้งคนที่กำลังเก็บอยู่ในขณะนี้ตื่นขึ้นจากบรรยากาศหนักอึง้งเฉพาะหน้าทัานทีอะไรต่างถามเป็นเสียงเดียวกันเราได้ที่พักมั่นคงและจะเป็นแหล่งให้ความอบอุ่นสบายดีกว่าเมื่อคืนนี้เสียอีกครับ อยู่ห่างจากที่นี่ไปเพียงไม่เกินห้าหกร้อยเมตรเท่านั้นเองแต่นั่นก็ยังไม่เป็นเรื่องน่ายินดีเท่ากับอีกเรื่องหนึง่งคือตรงแหล่งที่พักที่ค้นพบนี่เองผมได้พบร่องรอยของการพักแรมของคุณชายอนุชากนานอินด้วยครับทุกคนเบิกตากว้างอุทานออกมาอย่างลืมตัวแทบจะลืมเรื่องอื่นใดในขณะนี้หมดสิน้นดารินั้นความลืมตัวว่ายังเจ็บปวดทรมานอยู่ทาให้ขยับกายจะยืน แต่แล้วก็สู่ปากครางอู้สุดลงนั่งตามเดิมมารีโดดเข้ามาประคองไว้ร้องสั่งให้นั่งนิ่งๆส่วนช้ยยันผู้นั่งกอดเข่าทอดอะไรอยู่เนพนรวดเขามายืนอยู่ตรงหน้าผู้นำข่าวดีมาบอกอย่างไม่คาดฝันกระพินเป็นความจริงเหรออดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องออกมาดังๆครับแต่เดี๋ยวเมื่อเราไปถึงก็จะได้เห็นในสิ่งที่ผมบอกนี่แหละครับเป็นร่องรอยที่ชัดเจนเหมือนอย่างที่เราเคยพบมาแล้ว คือรอยพักนอนรอยก่อไฟจากไขมันของสัตว์กองกระดูกแ้ะก็ปลอกกระสุนครายของคุณหญิงทำให้เราได้รับข่าวดีนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณหญิงเกิดอุบัติเหตุและคุณชายสั่งให้ผมหาที่พักด่วนผมก็คงจะไม่พบค่ากระร่างรองร่องรอยของคุณชายอนุชา ต, ตรงนั้นแน่ๆเพราะเราก็คงจะเดินผ่านไปซะโดยไม่ทันได้สังเกตข่าวของคนสาบสูน ซึ่งได้รับข่าวล่าสุดชนิดไม่ทันคาดคิดมาก่อนทำให้ความรู้สึกของฝ่ายนายจ้างทุกคนในขณะนี้แปรไปในทางดีอย่างกระทันหันเต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังจากสภาพอันชบเซาท้อแท้หมดเรี่ยวแรงอยู่เมื่ออึจใจก่อนเชิาใบหน้าเริ่มปรากฏสีเลือดขึ้นเข้ามาจับแขนพรานใหญ่แน่นรับพินนี่ถือเป็นข่าวอันน่ายินดีที่สุดของพวกเราทุกคนทีเดียว ผมบอกไม่ถูกนะ ว, ว่าตื่นเต้นเพียงไหนเรากําลังใกล้เนินพระจันทร์เข้ามาเต็มทีและเราได้พบร่องรอยของเขาในระยะสําคัญนี้นี่มันก็ต้องแปลว่าเขาต้องไปถึงเนินพระจันทร์แน่นอนใช่ไหมครับคุณชายอนุชากนันอินถึงเนินพระจันทร์อย่างแน่นอนที่สุดไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกแล้วนี่เป็นร่องรอยครั้งแรกของเขาที่เราค้นพบนับตั้งแต่ออกจากภูเขาในหลักการมาและเป็นการพบเมื่อใกล้จุดหมายปลายทางซะด้วย มันพิสูจน์ได้ชัดทีเดียวว่าคุณชายอนุชากระพรานนาทางผ่านมาตามเส้นทางเส้นเดียวกับเรานี่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันที่สุดด้วยเพียงแต่เว้นระยะกันคนละรอบปีเท่านั้นเองครับชัยโยมีหวังแน่ถ้าอย่างนั้นชั ย, ยันร้องลั่นออกมาพร้อมกับกระโดดตัวลอยอย่างดีใจจนลืมตัวดารินเองแบบนี้ก็แทบจะหายเก็บปวดที่ข้อเท้าเป็นไปทิ้งไปชั่วขณะถามเสียงสั่นมาว่า ถ้าพินคุณไม่ ใ, ใจเหรอนี่คุณไม่ได้หลอกพวกเรานะไม่ได้ออกอุบายอะไรเพื่อเป็นการปลอบขวัญชั้นซึ่งกําลังเจ็บปวดอยู่ในขณะนี้นะจอมพรานมองมายังน้องสาวของนายจ้างด้วยประกายปลุกปลอบใจและเต็มไปได้วยความสุจริตรับรองสิครับคุณหญิงผมไม่บางอาจที่จะกล่าวเท็จต่อหน้าพวกเราทุกคนได้หรอครับความหวังของเราใกล้เข้ามาที่สุดแล้วการพบร่องรอยของคุณชายอนุชาในครั้งนี้ เพื่อเราสันนิษฐานอะไรได้ในวงแคบก็ามาอีกที่รู้แน่แน่ก็คืออย่างที่ผมบอกแลแ้วตากี้คุณชายอนุชากับพรันนำทางไปถึงเนินพระจันทร์ได้ตรงเป้าหมายตามกําหนดเวลาขึ้นห้าค่าเดือนสิบสองเมื่อปีกลายนี้ระหว่างเส้นทางภูเขาเนลัการถึงเดินพระจันทร์ทั้งสองคนนั้นไม่ได้หลงเตลิดเปิดเบองไปไหนผิดเส้นทางเลยจนนิดเดียวตรงข้ามอาจเดินได้รับทางดีกว่าเราซะอีกเพาตั้งแต่เราออกจากภูเขาในลกการมา ก็ไม่พบรอยของทั้งสองคนหรือวี่แววใดๆของเขาเลยอยู่ๆก็มาพบเขาเมื่อเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้วมันหมายถึงว่าเส้นทางช่วงสุดท้ายนี้เท่านั้นที่เราเดินทับรอยตามหลังเขามาส่วนช่วงอื่นๆเรากับเขาเดินกันมาคนละทางครับความท้อแท้ทอดอะไรต่อเหตุการณ์ก็พลันประลาศนาการไปในความรู้สึกของฝ่ายนายจ้างทุกคนทันทีจากข่าวดีที่ได้รับโดยไม่ทันรู้ตัว พราะนับตั้งแต่ออกจากภูเขาในละการมาไม่ปรากฏวิเววใดๆของคนสาบสูนย์ทั้งสองจะปรากฏให้ค้นพบอีกเลยจนทําให้ความหวังเลื่อนลอยห่างไกลออกไปทุกขณะทั้งหมดมุ่งเดินทางกันมาตามเส้นที่กําหนดไว้อย่างเสี่ยงบุญเสียงกรรมไปตามเรื่องมาตามปณิธานที่ตั้งมั่นไว้เท่านั้นเมื่อมาแววข่าวเข้าอีกเช่นนี้อันหมายถึงการติดตามร่องรอยไม่ไรผลจนเกินไปนะักก็ทําให้เกิดพลังใจขึ้นอีกครั้ง เทพาดารินและชยันมีความปิติยินดีจนยากที่จะซ่อนเร้นไว้ได้เป็นความยินดีเหนือกว่าทุกครั้งที่เคยได้พบร่องรอยของหม่อมราชวงศ์อนุชาวาราริทมาแล้วเพราะการพบครั้งนี้เป็นการพบที่ใกล้ความจริงเข้ามามากที่สุดพบว่ายัางมีชีวิตอยู่ขณะเมื่อเดินทางเข้ามาใกล้จุดหมายเนินพระจันทร์กันแทบจะเรียกได้ว่าสุดปลายทางของเส้นทางเดินแล้ว เป้าหมายแห่งการค้นให้พบมันตีวงแคบเข้ามาทุกขณะไม่ว่าจะพบในขณะที่ยังมีชีวิตรูหรือพบว่าเสียชีวิตไปแล้วก็ตามผิดกับความหวังที่เลื่อนลอยในครั้งแรกๆโชคเข้าข้างคุณเหลือเกินนะไพรวันมาเรียกล่าวแทรกเสียงซักสอบถามความของทุกคนที่มีต่อพรานใหญ่จนตอบแทบไม่ทันในขณะนี้ขึ้นกลางคัน ฉันเชือไม่มีนักแกะรอยคนใดยิ่งยอยยิ่งใหญ่ไปกว่าคุณอีกแล้วนะข่าวพบร่องรอยของคนหายเป็นข่าวหน้าตื่นเต้นยินดีสําหรับเราทุกคนในขณะ น, นี้แต่เราก็ควรจะหันเข้าหาปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในสกักก่อนคุณรู้เรื่องอาการของน้อยเลยอย่างเขาไม่ได้ก้อเท้าแพลงธรรมดาอย่างที่คุณเข้าใจแต่แรกนะคุณชายบอกผมแล้วครับระพินตอบด้วยน้ําเสียงปกติสีหน้ายัางยิ้มอยู่เช่นเดิม ขณะที่สุดตัวลงนั่งเบื้องหน้าของราชสกุลสาวดาริ น, น่าเซียวลงอีกครั้งรพินคุณรู้เรื่องอาการของน้อยแล้วอย่างเขาไม่ได้ข้อเท้าแพลงธรรมดาอย่างที่คุณเข้าใจแต่แรกนะทราบแล้วครับคุณชายบอกผมแล้วครับรพินตอบด้วยน้ำเสียงปกติสีหน้ายังยิ้มอยู่เช่นเดิมขณะที่สุดตัวลงนั่งเบื้องหน้าของราชสกุลสาวดาริ น, น่าเซียวลงอีกครั้งคุณหญิงครับ ทันใจดีๆว้ครับเขาพูดอ่อนโยนกะหล่อนนี่เพราะคุณหญิงขาแพลงแท้ทีเดียวนะครับที่ทำให้ผมค้นพบร่องรอยของคุณชายอนุชาอีกครั้งถือว่าเป็นโชคร้ายผสมกับโชคดีแต่ผมคิดว่าน้ำหนักของโชคดีจะมีอยู่เหนือกว่านะครับดารินฝืนหัวเราะฉันเห็นจะต้องใช้วิธีคลานไปกับพวกเราช้แล้วละ่ะแต่คลานก็คลานนะไม่เป็นไรเพราะฉันก็เคยบอกไว้แทบทุกครั้งแลวว่า แม้ฉันจะเดินไปไม่ได้ฉันก็จะคลานไปไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกครับคุณหญิงคุณหญิงไมีเวลาพอที่จะพักฟื้นได้และเราทั้งหมดก็ต้องไปให้ถึงเดินพระจันทร์ทันกําหนดเวลาอย่างแน่นอนเชื่อผมสิครับอุบัติเหตุหรืออุปสรรคต่างๆที่เราไปเชิญหน้ากันอยู่นี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับสุพณิมิตรลางดีอื่นๆที่เราพบเห็นมามากแล้วรพินหล่อนเรียกเขาเสียงเครือ ครับผมนายหญิงคุณเคยรู้จักหรือพบเห็นกับอาการของโรคไขข้ออักเสบชนิดหนึ่งซึ่งทางแพทย์เรียกว่ารูมาตอีบ้างไหมไม่เคยครับแต่คุณชายอธิบายให้ผมฟังเลยล่ะครับนี่ในฐานะที่ฉันเป็นหมอและเป็นคนไข้ด้วยตัวเองบอกคุณได้เดี๋ยวนี้เลยนะว่ากว่าฉันจะเดินได้ตามปกติก็หินจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าอาทิตย์เต็มเ็ม ฉันไม่กลัวอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทรมานที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้หรอกแต่ฉันกลัวเรื่องเสียเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ข่าวจากพี่กลางกระชั้นชิดเข้ามาอีกเช่นนี้แล้วตัวเองมานมีอาการอย่างนี้เข้าอีกมันยิ่งกลุ้มใจนะน้อยทำใจสบายนะพี่ชายพูดปลอบมาอีกคนนะทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมันจะเป็นไปตามเส้นกาหนดของมันโดยไม่อะไรมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เราทุกคนได้ใช้ความมานับพยายามอย่างดีที่สุดแล้วและท่านหัวหน้าคณะก็หันไปทางมัคุเทศผู้ยิ่งยงระพินก่อนอื่นเราเข้ายึดที่พักนั้นไว้ก่อนเถอะเรื่องอื่นใดค่อยหาลูกทางแก้ไขกันทีหลังแล้วกันพรานใหญ่ออกคําสั่งในทันทีนั้นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสัมภาระส่วนใหญ่ทั้งหมดถูกวางกองรวมกันไว้ชั่วคราวเพื่อการทยอยเข้าสู่ที่พัก ซึ่งเขากำหนดหมายไว้ก่อนแล้วสิ่งแรกที่สุดที่ทุกคนช่วยกันทำอย่างรีบด่วนก็คือเปลฉุกเฉินอาศัยจากผื้นหนังหมีขนาดใหญ่ที่ถลกไว้เมื่อคืนวานซึ่งม้วนนำติดตัวมาด้วยนั่นเองประกอบกระสายเชือกไนล่อนและไม้คานหาบชั่วไม่นานจากฝีมือนันจัดเจนชํชำนาญของลูกป่าทั้งหลายมันก็สาเร็จลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยแล้วคนที่เคยแต่รักษาพยาบาลผู้ร่วมคณะอื่น ซึ่งบัตรนี้ได้แปลสภาพมาเป็นคนเจ็บซะเองแล้วก็ถูกอุ้มประคองลงไปนอนอยู่บนเปลสนามที่ประดิษฐ์กันขึ้นมาอย่างฉับพลันนั้นขยิ่นกระแงทรายแบกด้านหน้าเกิดกระเสยแบกเป็นคู่หลังนายหญิงจึงเป็นแต่เพียงวัตถุเบาๆนอนอยู่บนเปลหนังหมีอันฟูนุ่มนั้นราวกับนางพญาประทับมาบนสลีกรพินล่วงหน้านาไปก่อนเชษฐาชายันและมาเรีย เดินรายล้อมมารอบรอบเปรคนจ็บโดยทิ้งให้บุญคําจันส่างปาทาหน้าที่เฝ้าของไปก่อนจนกว่าพักพวกอีกสี่คนที่รับหน้าที่หามเปรของนายหญิงจะกลับมาช่วยลำเลียงของตาแหน่งที่พักมันไม่ไกลเกินไปนักจริงตามที่พรานใหญ่บอกไว้ทั้งชุดเดินตามการนำของเขามาอย่างรีบดว่วนชั่วไม่ทันเหนื่อยตามไหลเนินที่ทอดลงสู่เบื้องต่าต่าก็บรรลุถึงช่องอุโมงค์หิน เราก็มีใครมาเจาะหรือระเบิดไว้ให้เป็นช่องทะลุสำหรับเป็นเส้นทางเดินลอดผ่านได้ความกว้างของช่องอุโมงประมาณ7เมตรเศษและยาวไม่เกิน20เมตรซึ่งเป็นรูทะลุของภูเขาหินจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งแห่งน้ำร้อนซึ่งเดือดพลังแตกเป็นพรายทรงไอกรุ่นอยู่ตลอดเวลาเป็นตาแหน่งที่อยู่ใจกลางอุโมงหินนั้นซึ่งกระจายความอบอุ่นไปตลอดทั้งช่องกูหา และจะอบอุ่นอยู่เช่นนี้ชั่วนิรันด์ไม่ว่าเบื้องนอกจะกองสุมด้วยหิมะหนาซักเพียงใดหากว่ามันพางพรมลงมาในเวลากลางคืนเพราะพื้นหินใต้หลังคาคลุมของอุโมงค์ทุกตารางนิว้วก็มีอุณหภูมิที่แตกต่างไปจากเบื้องนอกราวกับมีเตาไฟขนาดใหญ่สุมไว้เบื้องล่างระหว่างที่ทุกคนตามเขาเข้ามาพบหินกับสถานที่ลักษณะประหลาดพากันตะลึงเงินไปด้วยความแปลกใจ ระพินก็นำเข้ามาหยุดอยู่ยังบริเวณหนึ่งห่างริมทางเข้าขนาดพอให้แสงสว่างจากเบื้องนอกส่องเข้ามาเห็นอะไรได้ถนัดแล้วสั่งให้วางนายหญิงลงจากนั้นก็บอกให้แง่ายขยินเกิดและเสยย้อนกลับไปสมทบกับฝ่ายของบุญคำเพื่อให้ขนลำเลียงสัมภาระมาตัวเขาเองจัดการคลี่เปลสนามซึ่งยังมีดาริ น, นั่งอยู่บนนั้นให้แผ่กลางออกเป็นลักษณะพรมปูพื้น ดึงไม้คานที่สอดไว้ทั้งสองข้างออกเชิดาชายันและมาเรียหมุนสำรวจไปรอบรอบวิเศษเหลือเกินผู้กองวิเศษจริงๆท่าหัวหน้าคณะอุทานออกมาเบาๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะในท่ามกลางอันตรายจากกิมะอันหนาวเย็นของเทือกเขาแถบนี้ทั้งหมดที่เราจะมาพบกระแลงที่อบไปด้วยไออุ่นชั้นเยี่ยมอย่างนี้ นี่คือลางดีหรือสุภนิมิตยอย่างที่ผมบอกแล้วไงครับคุณชายเรามองด้วยสายตาเปล่าออกไปก็เห็นอยู่ชัดๆแต่ว่าเราน่าจะตายด้วยความหนาวเย็นแต่บนความตายอันแสนจะหนึบหนาวนี้เรากลับพบแหล่งกู้ชีวิตมีไว้ให้พิ่ง พ, พึ่ง พ, งพิงได้ทุกระยะมันเหมือนสวรรค์จะจัดเตรียมไว้ให้ผมเคยถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะผ่านเส้นทางบนเืกพระศิวะไปได้ยังไงโดยไม่ตายกันซะ ก, ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ ผมได้คําตอบแล้วล่ะครับและคุณชายอนุชากนันอินก็คงจะแสวงหาคาตอบได้มาก่อนเราด้วยซ้าผมยังไม่เข้าใจที่คุณพูดนะรพินชยันว่าบางทีเมอาจอธิบายได้ดีกว่าผมเมื่อตรวจสถานที่นี้ให้ละเอียดนะครับไม่ต้องตรวจให้ละเอียดฉันก็บอกเลยเดี๋ยวนี้แหละนักภูมิศาสตร์โบราณเลือดผสมบอกมาโดยเร็วด้วยน้าเสียงตื่นต่น ชัยันน่ะเคยพูดรำร้องประชดประชันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะพบกับธรรมชาติพิบัติให้ครบหมดทุกชนิดน้ำป่าไฟป่าแผ่นดินไหวพายุลูกเห็บพายุหิมะแล้วก็บอกว่ายังขาดภูเขาไฟฉันว่าเขาได้พบครบตามที่ต้องการนั่นละ่ะฮะนี่หมายความว่ายังไงชัยันลืมตาพลงร้องลั่นเมียแหม่มของเขาหัวรอคือ หมายความว่าคุณรวมทั้งพวกเราทุกคนขึ้นมายืนอยู่บนยอดใดยอดหนึ่งของภูเขาไฟแล้วนะซี่ภูเขาไฟลูกซึ่งคุกกรุนอยู่ในส่วนลึกภายใต้ลงไปเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะระเบิดพ่นเท่าลาวาขึ้นมาเท่านั้นถ้าเขาแถบนี้ทั้งหมดเบื้องล่างลงไปจะต้องเป็นแหล่งของภูเขาไฟอยู่ทั่วไปสุดแต่ว่าส่วนไหนความร้อนระอุจะใกล้ผิวพื้นแค่ไหนเท่านั้น ทุกครั้งที่เราพบบริเวณพื้นที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีการแสดงออกในสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นต้นว่าละอองไอควันหรือของเหลวบนพื้นผิวในลักษณะระอุเดือดมันก็แปลว่าความร้อนของเท่าลาว่าลนอยู่เบื้องล่างไม่ห่างลงไปนะักแล้วก่อนที่เราจะขึ้นถึงเทือกพระศิวะก่อนที่จะถึงภูเขาในลักการด้วยซ้ําไปเราพบบริเวณที่มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มาก่อนแล้วหลายครั้ง แม้กระทั่งร่องรอยของเราว่าเราก็ผ่านพบมาแล้วในเส้นทางนี้พางมาเรียก็หันไปทางพรานใหญ่ตาสีดอกผักตกเป็นประกายแจ่มใสไปด้วยความหวังไพรวันคุณพยายามกำหนดหมายตาหาแหล่งพักตรงบริเวณที่มีภูเขาไฟระอุอยู่ภายใต้ให้ดีๆเถอะฉันเชื่อว่าเราจะต้องพบไปเป็นระยะทีเดียวเพราะมันจะต้องมีอยู่ทั่วไปถ้าหาสถานที่พักได้อย่างนี้ หมื่นแสนหิมะเราก็ไม่หวันแล้วผมก็หวังไวเช่นนั้นละเมเรามองเห็นหนทางผ่านรอดภูมิประเทศแถบนี้ไปได้แล้วจากความมืดมิดสิ้นหวังในครั้งแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทําไมคุณชายอนุชากับพรานนําทางของเราจึงจะผ่านพ้นไปไม่ได้ถ้าเขารู้เคล็ดอย่างเดียวกับที่เราเพิ่งจะค้นพบกันนี่และแหล่งที่เรามาเลือกพักนี่เขาก็ได้เลือกมาก่อนเราแล้ว เออนี่คุณว่าคุณพบร่องรอยของพี่กลางในนี้ไม่ใช่เหรอแม้จะขยับขยื่นไปไหนไม่ได้นอกจากจะนั่งอยู่บนพื้นพรมหนังหมีดารินก็ไม่วายจะหันเข้าหาเรื่องสำคัญครับก็ใกล้ๆตัวพวกเราทุกคนนี่แหละครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลละป่าจบจอมพลานก็ชี้มือเข้าไปในช่องคูงหาส่วนที่ลึกจากที่ชุมนุมกันอยู่ในขณะ น, นี้ซึ่งเป็นตาแหน่งที่แสงสว่างจากเบื้องนอก ยังพอจะศาสต์เข้าไปให้เห็นอะไรได้รางร i เชษฐถาชัยยันและมาเรียก้าวพรวดเข้าไปพร้อมกันในขณะที่ดารินเหลียวมองตามไปด้ยวยความร้อนใจสิ่งที่ทุกคนพบตามการชี้บอกของรบพินก็คือรอยเศษหนังของสัตว์บางชนิดซึ่งถูกรอยไฟกินไว้ไม่หมดพื้นหินที่เป็นรอยขมเมลาดำและกระดูบบางส่วนทุกคนเงียบกริบหัวใจเต้นแรง เชิดถามไม่พอใจต่อแสงอันให้ความสว่างไม่พอนักนั้นนักไฟฉายประจําตัวออกมาส่องตรวจราดูอย่างละเอียดชายันกมาเรียจึงปฏิบัติตามทั้งสามออกส่องไฟไปตามพื้นด้วยความระมัดระวังและไม่ยอมให้อะไรผ่านการสังเกตไปได้เลยเสียงระพินร้องบอกมาเบาๆว่าตรวจ ด, ด้วยดีนะครับหลักฐานทุกชิ้นผมยังไม่ได้เคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นพบมันอยู่ยังไงก็ปล่อยไว้เช่นนั้นเพื่อจะให้พวกคุณได้มาเห็นเอง จะได้แน่ใจขึ้นอีกดารินเริ่มตื่นเต้นขึ้นอีกครั้งหล่อนอยากจะตามพักพวกเขาไปร่วมตรวจดูด้วยแต่แล้วก็ขัดใจกระสับกระส่ายอยู่เพราะสังขารไม่อำนวยระพินรอบยิ้มให้ถือโอกาสในขณะที่คนอื่นๆมัวแต่หันไปเอาใจใส่ต่อการตรวจสอบร่องรอยเอื้อมือมาตบเบาๆที่หลังมือแม่ดอกฟ้าของเขาอย่างปลุกปลอบใจดารินจึงยอมสงบลงพร้อมกระถอนใจยาว จะมีความน่ารำคาญใจอะไรเท่ากับที่อยู่ๆก็ต้องมาเป็นคนง่อยแบบนี้นะหล่อนบนเบาๆะพรุ่งนี้ก็หายครับบ้าอย่ามาพูดเล่นไม่เข้าเรื่องคนนี้ห ง, งุดหงิดอยู่ด้วยถ้าฉันเกิดเดินไม่ได้หลายๆวันจนเลยกําหนดวันห้าค่าแล้วจะทํายังไงกันก็ไม่เห็นยากอะไรนี่พรุ่งนี้ถ้ายังไม่ยอมเดินก็ทิ้งให้นอนอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วก็ย้อนกลับมารับทีหลังไง นี่เห็นเป็นเรื่องสนุกไปซะแล้วหรือไงเอ๊ะยังไงล่ะครับสนุกมั่งก็ว่าครั้นไม่ยอมสนุกเลยก็หาว่าซีเรียสเก๊กหน้านี่รู้ไหมผมดีใจมันบ้าเลยที่คุณหญิงเป็นง่อยเดินไม่ได้ดีจะได้เดินไปถึงเนินพระจันทร์ไม่ทันกำหนดเวลาหาทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะไม่ถูกแล้วก็จะกลับกันสทีไม่ต้องเดินต่อดารินอดหัวเราะ อ, ออกมาไม่ได้เอามือผลักหน้ารับ ดีละพรุ่งนี้ฉันจะหายให้ได้จาง ก, ก็ไม่หายหรอกแต่หลกดีเหมือนกันนะหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวาราริสกลายเป็นเงื่ยงง่อยไปะละสงสัยว่าจะทุกพลภาพเดินไม่ได้ตลอดชีวิตจะไปไหนก็จะต้องคลานไปนี่ระพินถ้าฉันเป็นง่อยไปจริงๆคุณยังจะรักฉันไหมจะยิ่งรักกว่าปัจจุบันนี้อีกร้อยเท่าครับริงนะ ด้วยสัจจะของคนชื่อรพินไพรวันครับหลอนแอบจับมือเขาแล้วบีบอย่างตื้นตันใจเชิฐถาชัยยันและมาเรียกลับเข้ามาชุมนุมกันอีกครั้งภายหลังจากที่ช่วยกันแยกร่องรอยไปทั่วๆดูเหมือนจะสแสวงหาหลักฐานกันได้มาคนละชิ้นสองชิ้นหมายความว่ายังไงกันนี่รพินอนุชา ย, ยิงสัตว์อะไรในขณะที่เขาอยู่ในที่พักนี่เหรอ ท่านหัวหน้ า, นาคณะกล่าวโดยเร็วขึ้นเป็นคนแรกขณะที่ชูปลอกกระสุ น, นไรเฟิลของอังกฤษขนาดจุดสี่นในโตรปลอกหนึ่งซึ่งเก็บได้ที่มุมหนึ่งของซอกขินให้ทุกคนดูก็ไม่ได้ยิงในนี้หรอกครับคุณชายแต่อาจยิงในละแวกใกล้เคียงกักคุหาที่พักนะ่ะสนนิฐานจากเศษหนังที่เหลืออยู่บางส่วนนี่เข้าใจว่าเป็นหมีประเภทเดียวกับที่เรายิงกันมาแล้วเมื่อคืนแล้วคงจะต้องยิงไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการซ้ํา เหตุการณ์ก็คงดําเนินไปอย่างเดียวกับพวกเราทุกอย่างนะครับคือเนื้อส่วนหนึ่งอาศัยเป็นอาหารไขมันก่อเป็นเชื้อเพลิงสําหรับเศษหนังหรือกระดูกส่วนใหญ่ระยะเวลาที่ล่วงผ่านมาปีเต็มๆสัตว์อื่นก็คงฆ่าปไปกินเป็นอาหารอาหารหมดก็เหลือไว้แต่เพียงส่วนน้อยแหละครับก็ถ้ายิงที่อื่นด้านนอกบริเวณนี่ทําไมปลอกกระสุนจึงมาตกอยู่ในครูหานี่ละ่ะมารียสงสัย ทุกท่านคงลืมไปนะครับว่าปืนประจำมือของนายชดกระบอกนั้นเป็นดับเบิลไรเฟิลเขาบอกเมื่อยิงไปแล้วนัดหนึ่งหากไม่มีความจำเป็นยังไงผู้ยิงมักจะไม่ถอดปลอกกระสุนออกในทันทีทันใดเพราะการถอดปลอกกระสุนหมายถึงต้องหักลำกล้องลงในกรณีนี้นายชดยิงหมีตัวนั้นได้ด้วยกระสุนนัดเดียวโดยไม่ต้องซ้าอีกนัดหนึ่งยังติดคาอยู่ในลากล้องเมื่อยิงหมีได้ เขายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหันไปสนใจกับปืนในมือของเขาหากแต่ว่าช่วยกันกับพรานนําทางและเนื้อและไขมันหมีตัวนั้นนําเข้ามาในที่พักและภายหลังจากเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วเขาก็คงจะต้องนึกได้ว่ากระสุนขาดลํากล้องไปหนึ่งนัดก็นัดที่ยิงหมีตัวนั้นนะครับจึงหักลํากล้องปืนลงเพื่อถอดกระสุนเก่าและบรรจุใหม่ให้เต็มอัตราพร้อมทั้งสองลำกล้องสาเหตุนี้เองเราก็เลยพบปลอกกระสุนของเขาหนึ่งปลอก ประเด็นตกอยู่ในที่พักมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องยิงอะไรในขณะที่อยู่ในที่พักปืนจึงคายปอกกระสุนตกไว้อย่างเช่นใ น, นกลไกปืนแบบกึ่งอัตโนมัติหรือลูกเลื่อนนะครับเชษฐาพยักหน้าอย่างเข้าใจส่วนชา ย, ยันไม่กล่าวคําใดอื่นทั้งสิ้นแบมือให้ดูบ้างเพราะเชษฐากดารินมาเห็นสิ่งที่กลิ้งอยู่ในฝ่ามือของชา ย, ยันก็อทานออกมาพร้อมกันว่านั้นอิน พานใหญ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยหลักฐานที่ชยันค้นได้เขายังไม่ทันเห็นก่อนสำหรับสิ่งนั้นตอนที่เข้ามาสำรวจบริเวณครั้งแรกมันคือกระสุนลูกซองยี่ห้ออีเลรุ่นเก่าชนิดปลอกกระดาษบรรจุลูกปลายแบบเอสความยาวสองนิ้วครึ่งทั้งนัดยังไม่มีรอยยิงแต่ปรากฏว่าปลอกกระสุนที่ทำด้วยกระดาษอาบไขมันนั้นบวมผิดขนาดเดิมของมันไปแล้วก็เปื่อยยุ่ย พวตรงโน้นบนพื้นใกล้ๆปากบ่อน้ำร้อนเชษถาพูดเบาๆผมยังไม่ทันเห็นกระสุนลูกซองนัดนี้ของหนานอินเลยครับก็เพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนี้เองมันไม่น่าจะตกด้วยความเผลอเรอไม่ใช่เหรอเพราะเป็นกระสุนทั้งนัดยังไม่มีรอยยิงเลยยกเว้นแต่จะเกิดฉุกเฉินรีบด่วนอะไรขึ้นจอมพรานสันสีสักยิมออกมานิดหนึง่งอย่าพยายามสันนิษฐานอะไรในทางร้ายเลยครับ กระสุนนัดนั้นอาจจะถูกน้ําหรือวิฉะนั้นก็อาจจะถูกเหนือ้อถูกเหนื้อของเจ้าของจนเกิดการขยายบวมขึ้นจนไม่สามารถจะบรรจุเข้ารังเพลิงหรือใช้งานได้อีกต่อไปนานอิงก็คงจะรําคาญนะครับก็เลยเวียงทิ้งถ้าที่เราพบหลักฐานจากปลอกกระสุนลูกซองของนานอินมาเป็นลําดับนั้นเราพอจะรู้ได้ว่าส่วนมากเป็นกระสุนอีเลชนิดปลอกกระดาษรุ่นเก่าไม่สามารถจะกันน้ําได้ สองคนนั้นเดินทางมาแบบนี้กระสุนก็คงจะมีโอกาสเปียกชื้นปลอกบวมจนใช้งานไม่ได้แล้วก็คงจะต้องโยนทิ้งไปอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับมมันก็ท่าจะจริงอย่างที่คุณพูดนะชัยยันว่าแล้วโครงหัวเบาๆโครงหัวบ่นเบาๆต่อไปไม่รอบคอบเลยนะจะออกป่าฝ่าดงเดินทางกันอย่างไม่รู้อนาคตแบบนี้ ทำไมอนุชาถึงเอากระสุนรุ่นเก่าอย่างนี้ให้พรานของเขาใช้ก็ไม่รู้สิเจอน้าเขาก็เสร็จเท่านั้นกล่าวจบช ย, ยันก็โยนลูกปืนนัดนั้นลงไปตรงหน้าของดารินน้องสาวของบุคคลสาบสูงซึ่งหยิบขึ้นมาพิจารณาแล้วําไว้แน่นด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกหล่นตกอยู่ในภาวะนี้ทุกครั้งที่มีการค้นพบร่องรอยหลักฐานของพี่ชายกับพรานคู่ใจที่สมสารมาด้วยกัน มาเรียเป็นคนสุดท้ายที่ชูสิ่งซึ่งหลอนเก็บได้ให้ทุกคนดูและมองไปทางจอมพรานแผ่นโลหะบางๆมีรอยถูกไฟลนอันนี้มันเป็นอะไรกันแนนะ่นะเชื่อสันนิษฐานไม่ถูกจริงๆนะแต่เชื่อแน่ว่าเป็นของทั้งสองคนนเหมือนกันระพินมองสิ่งที่ถืออยู่ในมือของแม่มสาวอย่างไม่รู้สึกแปลกใจอะไรนะักแต่เชษดาชายันและดารินมองอย่างงงไม่อาจเข้าใจได้เช่นกัน เชฐาขอเอาไปพิจารณาดูพร้อมกับขโมดคิ้วยนเอ๊ะมันอะไรนี่ลักษณะจะเป็นขาโลหะสำหรับวางยากันยุงก็ไม่เชิงนะว่าแล้วก็ส่งไปให้ชยันวัตถุนั้นทำด้วยสังกะสีเบาบางขณะนี้จับเป็นคราบแดงไปด้วยสนิมและมีรอยถูกไฟลนจนดำไปด้วยขเมเหาในบางส่วนมีส่วนที่มองผัดผาดว่าเป็นขาสีขาสำหรับตั้งได้ โดยมีแผ่นเชื่อมอยู่ตรงกลางเมื่อจับขยับดูก็รู้สึกว่าด้านที่เป็นขาทั้งสองด้านนั้นสามารถที่จะหักขุบเข้ามาประสานบรรจบกันได้แปลสภาพเป็นกล่องแบรนสี่เหลี่ยมขนาด4คูณ6นิ้วแต่ก่อนที่ใครจะช่วยกันตีความหมายยังไงต่อไปอดีตนายร้อยตำรวจเอกระเวนชายแดนก็อธิบายมาเรียบๆว่านี่คือเตาแก๊สครับ เป็นเตาแก๊สแบบสนามสําหรับพวกต่อชะโดรหรือหน่วยพลร่มใช้ครับเตาแกส๊สไอสังกะสีสั ป, ปรังเคชิ้นเล็กๆ เ, เนี่ยเหรอชยันร้องรับพินเอื้อมมือมารับวัตถุชิ้นนั้นมาจัดการทําให้ทุกคนดูพร้อมทั้งอธิบายประกอบอย่างง่ายๆว่าวครับกล่องสังกสีที่เราเห็นอยู่นี่นะครับคือชุดของเตาแกส๊สหรือเครื่องก่อไฟหุงต้มขนาดติดกระเป๋าซึ่งหน่วยราชการบางส่วน ใหายให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเช่นพวกทหารป่าพลร่มหรือหน่วยตระเวนชายแดนที่รอนแรมอยู่ในป่าเพราะมีน้ำหนักเบากระทัดรัดและเบ็ดเสร็จพอที่จะบรรจุไปในย่ามหลังได้โดยไม่เป็นภาระเมื่อเกิดความจำเป็นขึ้นมาในกรณีที่จะก่อไฟหุงต้มตัวของมันเองทั้งชุดมีสภาพลายเป็นเตาและเชื้อเพลิงได้โดยไม่จาเป็นต้องหาฟืนก่อไฟนอกจากความสะดวกแล้ว ยังไม่มีแสงหรือควันมากเกินไปอีกด้วยเพื่อเป็นการคลางตาฆ่าศึกนอกจากนั้นก็ยังสามารถก่อไฟติดได้ในทุกพื้นภูมิประเทศเช่นในบริเวณที่หาฟืนไม่ได้พื้นที่เปียกชื้นเกินไปจนก่อฟืนธรรมดาไม่ติดในชุดของมันนี่จะประกอบด้วยกล่องสังกะสีที่เราเห็นอยู่นี่และกล่องกระดาษอีกกล่องหนึง่งบรรจุก้อนแก๊สสีขาวลักษณะคล้ายๆการบูลกล่องกระดาษที่บรรจุก้อนแกส๊ส จะถูกหุ้มด้วยกล่องสังกะสีเบาๆอันนี้อีกทีหนึง่งเวลาต้องการใช้นี่ก็ให้หักกล่องสังกะสีออกตัวกล่องสังกะสีจะแปลสภาพเป็นเชิงการหรือเตาวางครอมลงไปกับพื้นและใช้ก้อนแก๊สที่บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษบีออกให้เป็นชิ้นเล็กๆวางแทนเชื้อเพลิงลงใต้เตาจุดไฟมันจะลุกติดส่งเปลวบางๆเหมือนไฟลุกติดแอลกอฮอล์แต่ก็ให้ความร้อนสูงพอที่จะหุงหรือต้มอะไรได้ ในภานชนะสนามขนาดเล็กพอประทับประทังไปได้แต่ต้องอาศัยก่อไฟแก๊สชนิดนี้ในที่อับลมพอสมควรถ้ากลางที่แจ้งลมโกลกแรงอยู่ตลอดเวลาไฟจัดเชื้อเพลิงอันเป็นแก๊สก้อนก็จะไม่แรงพอครับทุกคนฟังคำอธิบายของเขาอย่างสนใจระคนประหลาดใจชยันหันไปมองหน้าเชษฐาและผิวปากออมาเบาๆงโง่ซะแล้วสิเราสองคนเสียแรงเป็นทหารเก่า แต่บังเอิญไม่ได้เป็นทหารป่าอย่างระพิน์มาก่อนก็เลยไม่รู้เชิดฐายิ้มออกมาน้อยๆ น, ยนี่ถือเป็นความรู้ใหม่จริงๆนะระพินถ้าไม่ได้คุณบอกเล่าให้เข้าใจพวกผมคงไม่มีวันดูออกหรอกว่าไอ้นั่นน่ะมันคืออะไรเพราะเราไม่เคยเห็นเตาแก๊สแบบนี้มาก่อนเท่าที่เห็นเตาแก๊สสาหรับเดินป่าหรือแคมปิ้งทั่วๆไปนะ่ะมันก็เหมือนเตาแก๊สอย่างที่เราใช้ในเมืองนั่นแหละเพียงแต่ย่อส่วนลงมาโดยมีท่อแก๊สเล็กๆ พอให้ขนเคลื่อนย้ายไปได้เท่านั้นและการเดินทางมาคราวนี้ของเราก็ขนกันมาด้วยอย่างที่เคยใช้กันมาตลอดทางในเวลาจำเป็นก่อนจะถึงลมช้างออกจากลมช้างเราก็ไม่อยากจะขนติดตัวมาด้วยให้หนักเพราะถึงยังไงมันก็ไม่สามารถจะย่อส่วนลงให้เหลือโตกว่ากล่องบุหรี่เล็กน้อยเหมือนเตาแก๊สชนิดก้อนแบบนี้ได้มันเป็นคนละชนิดกันครับ เตาแก๊สอย่างที่คุณชายว่านะมันเป็นเตาแก๊สซึ่งใช้แก๊สโดยตรงจากท่อแก๊สที่อัดไว้เป็นภาระเกะกะยุ่งยากมากแม้ว่าจะย่อส่วนลงให้เล็กสักแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะบรรจุลงไปในเครื่องหลังได้แน่นอนแต่เตาแก๊สแบบนี้ใช้จากแก๊สก้อนซึ่งสะดวกกว่าแต่มันก็ให้ไฟแรงเหมือนอย่างเตาแก๊สแบบที่ว่านั่นเพียงแต่แก้ขัดไปเท่านั้นความจริงมันก็ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่อะไรหรอกครับ มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกร้านที่ขายเครื่องเดินป่าต่างๆความจริงนักเดินป่าทั่วไปก็ไม่นิยมนักหรอกครับเพราะมันค่อนข้างจะหมดเปลืองแล้วก็แพงเปลไฟที่ได้ก็ได้ไม่มากเกินไปกว่าต้มน้ําขนาดกระป๋องนมเดือดเท่านั้นมันก็ดีตรงที่เอาติดตัวไปได้ง่ายไม่มีควันไม่มีแสงเหมาะสําหรับใช้ในหน่วยรบเท่านั้นผมเองเคยใช้อยู่ในระหว่างที่หลวงก็แจกตอนปฏิบัติหน้าที่ราชการในป่า แต่พอออกจากตำรวจมาใช้ชีวิตในป่าตามอาชีพส่วนตัวผมก็ไม่เคยใช่หรอกครับเพราะมันหมดเปลืองโดยใช่ที่เดี๋ยวก่อนดาพินดารินสอดขึ้นโดยเร็วแม้จะอยู่ในระหว่างเจ็บป่วยขณะนี้ข่าวคราวของพี่ชายทำให้หลอนลืมคำนึงถึงอาการของตนเองไปชั่วขณะตอนที่คุณหลงป่าอยู่กับฉันสองคนคุณก็มีเครื่องกระป๋องชนิดหนึ่งเป็นประเภทซุปและฉันก็เห็นว่าไอ้เครื่องกระป๋องพิสดารของคุณนั่น มันก็มีเชื้อเพลิงสําหรับอุ่นหรือต้มติดอยู่ในตอนท้ายของกระป๋องนั่นด้วยไม่ใช่เหรอมันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าแทานใหญ่ยังไม่ทันตอบเชษดถากระชัยยันผู้รู้จักดีก็ร้องออกมาพร้อมกันว่าอ๋ออาหารกระป๋องแบบบรรสวนสําหรับอหารเมริกันในสนามรบอ่ะทําไมแล้วพินมีติดตัวมาด้วยเหรอครับก็มีติดตัวมาด้วยสองสามกระป๋องในระยะการเดินทางต้นๆ น, นะครับตอนนี้ใช้หมดไปนานแล้ว ผมได้มาจากพวกฐานเมล็กันครับแล้ว ก, ก็หันมาตอบความดารินที่ถามค้างไว้ว่าแบบนั้นนะ่ะมันเป็นสำลีชุบแอลกอฮอลที่ตัดติดไว้ในส่วนล่างของกระป๋องอาหารเหลวครับสำหรับใช้อุ่นอาหารในกระป๋องของมันเองเท่านั้นครับคุณหญิงเป็นคนละชนิดกับเตาแก๊สที่คุณชายอนุชาใช้แบบนี้ถ้านั้นก็แปลว่าพี่กลางมีเตาแก๊สฉบับกระเป๋านี่ติดตัวมาด้วยงั้นเห ก็เลยทําไมตลอดระยะทางที่เราเคยพบรอยของเขาสีห้าครั้งน่ะเราไม่เห็นเครื่องชายชนิดนี้ของเขาเลยเพิ่งจะมาเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ปวดพิจารณาภูมิประเทศด้วยนะครับทุกครั้งที่เราพบร่องรอยคุณชายอนุชาตรงบริเวณที่ก่อไฟของเขาล้วนแล้วแต่เป็นบริเวณที่มีฟืนอุดมสมบูรณ์ทั้งสิน้นแล้วมันมีฟืนใช้ก่อไฟได้มันก็ไม่จําเป็นอะไรที่จะต้องเอาเชื้อเพลิงชนิดนี้ออกมาใชา้ แต่ที่นี่นะมันไม่มีอะไรที่จะทําเชื้อเพลิงได้เลยเราจึงพบว่าเขาเอาเตาแก๊สชนิดนี้ออกมาใช้ผมคิดว่าคุณชายอนุชารอบคอบดีกว่าพวกเราเสอีกนะครับที่ไม่ลืมมีเครื่องใช้จําเป็นชนิดนี้ติดตัวมาด้วยเพื่อต่อสู้กับภูมิประเทศแถบนี้มันอาจไม่มีประโยชน์อะไรมากนักในบริเวณที่หาฟืนได้ง่ายๆแต่มันจะมีประโยชน์อย่างที่สุดเมื่ออยู่ในถ้าที่แวดล้อมไปด้วยหิมะ อย่างน้อยก็ช่วยให้มันเป็นเชื้อขึ้นท้าวลกว่าเปลวไฟจากไม้ขีดหรือไลเตอร์ล่ะครับทุกคนนิ่งกันไปชั่วขณะตามองอยู่ที่หลักฐานซึ่งค้นได้เหล่านั้นไม่มีใครอ่านความคิดของใครถูกมันเป็นความเงียบที่ย่างเข้ามาครอบงำอย่างประหลาดและโดยไม่ได้นัดแนะกันไว้เลยยกเว้นมารีเเพียงคนเดียวอีกสี่คนซึ่งเป็นพี่น้องเพื่อนสนิทกับมักคุเทศรับย้างนาทาง ต่างหวนระลึกไปถึงข้อความที่ชายผู้สาบสูญสลักเป็นอักษรไว้ด้วยฐานบนก้อนหินใหญ่ตำแหน่งหนึง่งซึ่งตามพบกันในระยะต้นเป็นข้อความที่กลั่นออกมาจากความสะเทือนใจและวิริยะมานะกล้าเยี่ยงชายชาติอาชาในาซึ่งผิดหวังต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้กับโชคชะตาข้อความนั้นกินใจลึกอยู่ในความรู้สึกของทุกคน ยามเมื่อหวนคิดในขณะ น, นี้ราวกับว่าเจ้าของผู้เขียนข้อความประกาศไว้กับป่าดงพงไพรได้ปรากฏกายขึ้นมาให้เห็นอยู่ในขณะนี้ณนะที่ใดดวงใจไม่ไหวหวั่นขอฝ่าฟันอุปสรรคและขวากหนามถึงสิ้นชาติวาสนาชะตาสาม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 บัดนี้น้ำตาซึมขอบตาชายันก้มหน้าหนิส่วนดารินมือลอยสำหรับประพินไพรวันนั้นบัดนี้เขามีความรู้สึกบอกกับตนเองอย่างแจ่มชัดว่าไม่มีลูกผู้ชายเลือดข้นนักผจนภัยที่ไหนอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่ามอมราชวงศ์อนุชาวราริษแม้แต่เขาเองก็หาได้เทียบเท่าไม่ครั้นแล้วก็เกิดปมฉงนขึ้นมากลางใจอย่างฉับพลันว่า สาเหตุอันใดหนอที่ทำให้บุรุษผู้นั้นกระทำการอันอาถหารท้าทายทั้งสวรรค์และนรกได้ถึงเพียงนี้เจ้าว่าเรื่องส่วนตัวระหองระแหงระหว่างพี่น้องกันเองซึ่งเป็นเรื่องของลิ้นกะฟันตามปกติธรรมดาทั่วไปก็ไม่น่าจะเป็นจุดบันดาลใจให้ต้องเตลิดเปิดเปลืงถึงเพียงนี้สังเกตดูธรรมชาตินิสัยโดยทั่วไปของคุณชายเชฐิฐาผู้เป็นพี่ใหญ่ซึ่งยอมรับว่าเป็นความผิดของตน ที่ทำให้น้องชายต้องหนีหน้าไปก็ยังไม่เป็นเหตุผลที่เพียงพอนักเชษฐาวรารทิ์เป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วความรู้สึกนึกคิดศีลธรรมจริยธรรมมีอยู่อย่างเพียบพร้อมประกอบเด้วยเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งเขาจะเป็นตัวการร้ายกาจถึงขนาดทําให้น้องชายต้องลบลี้หนีหน้าสมสารไปทีเดียวหรือมันน่าจะมีอะไรเบื้องหลังที่ซับซ้อนซ่อนเร้นอยู่มากกว่านี้แน่นอนแต่พี่น้องทั้งคู่ คือเชษฐาและดารินคงไม่ประสงค์จะบอกให้พรานนำทางรับทราบโดยละเอียดนักอาจเห็นว่าไม่จำเป็นและเชฐฐาก็สรุปรวบยอดยอมรับว่าเป็นความผิดของตนเองแต่ผู้เดียวเกี่ยวกับด้านความเห็นแก่ตัวและอายุทธรทมต่อน้องชายซึ่งแน่ละรับพินย่อมเชื่อไม่ได้เป็นอันขาดว่าคนอย่างคุณชายเชิฐาจะเห็นแก่ตัวหรืออยุที่ทำต่อใครทั้งสิน้น ภายหลังจากศึกษาเรียนรู้ถึงธรรมชาตินิสัยอันแท้จริงในขณะที่ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันเช่นนี้เป็นเวลานานและดุดซีนีภาพอันเงียบงันก็ถูกทำลายขึ้นด้วยเสียงสูงของมาเรียซึ่งไม่ได้สนใจรู้เห็นอะไรมาแต่ต้นนี่ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดหรือไงนะเมื่อนั้นจึงมีการขยับขยื่นและเสียงถอนใจเราตามก็เกือบสุดปลายทางเลยนรพิน ก็คงจะได้รู้กันในเร็วๆนี้แหละว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวนี้ผมเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมแล้วนะว่าเราต้องพบเขาแน่นอนแต่จะพบในลักษณะไหนนะั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตของคุณเท่านั้นนะจอมพรานก้มศรีรษะลงครับผมจะพยายามจนสุดฝีมือครับและไหนๆเราก็บุกบันติดตามคุณชายอนุชามา จนกระทั่งใต้ความจริงถึงเพียงนี้แล้วหากไม่เป็นการละลาบละลวงในเรื่องส่วนตัวระหว่างพี่น้องกันเองเกินไปนักผมอยากจะเรียนถามความจริงอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งผมคิดว่าคุณชายเชิดาคุณหญิงดารินและคุณชยันคงจะทราบดีอยู่แล้วถามมาเลยระพินเดี๋ยนี้ผมไม่มองคุณเป็นคนอื่นนอกจากญาติสนิทคนนึง อะไรเป็นสาเหตุแท้จริงที่ทำให้คุณชายอนุชาตะเิดเปิดเบิงเสี่ยงชีวิตถึงเพียงนี้ครับผมไม่อยากจะเชื่อเรื่องผิดใจกับคุณชายเชษฐาอย่างฉันพี่น้องธรรมดาแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าคุณชายอนุชาจะหวังสมบัติลมลมแรงๆจนกระทั่งปลาลงทุนเสี่ยงชีวิตถึงเพียงนี้รูปการของคุณชายอนุชาเหมือนคนผิดหวังอย่างรุนแรงเป็นความผิดหวังที่ไปชดชีวิตและลงโทษตัวเองซะมากกว่า ขุมเพชรพระอุมานะผมคิดแต่เพียงว่าน่าจะเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองสองพี่น้องและเพื่อนสนิทของคนสาบศูนย์นิ่งงันกันไปอีกครู่มองตากันเองอยู่ไปมาเชิฐานาเผืชดคล้ำลงอย่างสังเกตได้ชัดต่อมาก็ฝืนยิ้มตอบมาด้วยเสียงแผ่วต่ําว่าเอาละเอาละไหนๆเราก็มากันถึงเพียงนี้แล้วผมจะบอกความจริงให้ทราบนอกเหนือจากที่บอกคุณไปแล้วอ่ะ ก็ยังมีอีกเรื่องนึง่งคือน้องชายของผมน่ะอกหักเพราะผู้หญิงคนหนึง่งผู้หญิงคนนั้นนามาพัวพันกับผมเข้าโดยที่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีอะไรกับน้องชายมาก่อนผมกลายเป็นคนโชคดีที่เอาเปรียบเขาทุกด้านไหนจะความรักจากพ่อแม่ญาติพี่น้องไหนจะเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานไหนจะเป็นทายาทของกองมรดกที่ตัวเขาเองถูกตัดออกไป ผมมารู้ตัวว่าผมผมทำาลายน้ำใจเขาอย่างรุนแรงเรื่องผู้หญิงคนนั้นเหนือกว่าความเจ็บช้ำน้าใจทั้งปวงที่เขาได้รับหนักอยู่แล้วแต่สาบานได้นะมันเป็นเพราะผมไม่รู้ผมไม่ได้มีเจตนาเลยและความจริงก็ปรากฏต่อมาภายหลังว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นไม่ใช่ผมเพราะผมก็ไม่ต้องการหล่อนเหมือนกันเมื่อรู้ว่าเป็นของน้องชายมา ก, ก่อนแต่เหตุการณ์ทั้งหลายนะมันเกิดขึ้นทีหลัง อนุชาเขาเตลดเปิดเปิงไปสักก่อนแล้วผมก็ไม่อยากจะชื่ออย่างคุณเหมือนกันว่าน้องชายของผมละโมบมุ่งหวังมหาสมบัติใดๆมากกว่าที่คิดจะเดินทางไปซ่ให้พ้นพ้นจากโลกมนุษย์อันสับปรับนี่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีฆ่าตัวตายโดยทางตรงเท่านั้นแหละพรานใหญ่ถอนใจยาวเยือกก้มศรีรษะลงอีกครั้งครับถ้าเช่นนั้นก็ตรงกับที่ผมคาดคะเนไว้ไม่ผิดครับ พวกพลานพื้นเมืองทั้งหมดหาบสัมภาระมาถึงปรงของลงจัดเตรียมบริเวณเป็นสถานที่พักคนเหล่านั้นทั้งหมดแม้กระทั่งสางตาเองซึ่งไม่เคยสนใจใยดีกับอะไรก็ยังอดไม่ได้ที่จะแสดงอาการทึ่งตื่นเต้นต่อหลักฐานของคนสาบสูญที่คนพบใหม่นั้นโห้ยสองคนน่ะไม่น่าจะรอดตายเดินกันมาถึงที่นี่เลยเจ้าตองสู่บ่นออกมาเป็นภาษาของมัน เราตายจากตรงนี้ได้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปตายอยู่ที่ไหนแต่ก็คงพบเร็วๆนี้แหละมาเรียปากพร้อยร้องบอกคนของหล่อนออกมาพร้อมกับหัวเราหโชคดีอยู่บ้างที่เชิฐาชยันและดารินฟังไม่รู้เรื่องแต่ะพินหันไปมองหน้าแม่มสาวจึงรู้สุกตัวหน้าจืดไปยักไหล่นิดนึงจอมพรไม่กล่าวคาใดเพราะก็เห็นว่าฝ่ายนายจ้างของเขาทุกคนไม่มีใครรู้เรื่อง หรือหันไปสนใจกระถ้อยคําโต้ตอบของมาเรียกับเจ้าคนใชายต่องสู่ของหลอนประสุกตาแงซายก็หลอบพยักหน้าให้เดินตามกันออกมาพบกันสองต่อสองนอกบริเวณที่พักความเห็นของแกถูกต้องแงซายเข้ากระซิบแผ่วเบาในข้อไหนครับก็ในข้อที่นายชดกับพรานของเขาเดินทางไปถึงเนินพระจันทร์ได้แน่นอน ฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยนะเดี๋กระทั่งมาพบหลักฐานครั้งล่าสุดนี่แงซายเบิงตามมองดูหน้าเขาเฉยไม่ส่อเ้าวความรู้สึกใดๆให้จับได้ผู้กองครับเรามาพนันกันอีกสัก ส, กสองข้อดีไหมพนันอะไรก็พนันว่าเขาตายหรือยังมีชีวิตอยู่นั่นข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สอง เราทั้งหมดจะไปถึงเนินพระจันทร์ทันตามกำหนดไหมแลวกาเลือกจะพนันทางด้านไหนล่ะก็แล้วผู้กองนะครับ